เพืกับทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกนามเราอยากบอกอยากสอนอยากพูดให้ฟังมันมีความเท็จความจริงในชีวิตของเราหนี้มีความผิดความถูกผู้ฟังขอให้จะตั้งใจฟังไงจะได้ศึกษาดูไหมอันนั้นเป็นส่วนตัวของท่าน แต่ว่าผู้พูดบอกผู้สอนนี่นั่นใหญ่แน่นอนแล้วในหลักสูตรสำเร็จของการศึกษามันก็มีทางโลกและทางธรรมนังทิท่านต้องอาได้ศึกษาจนมีอาชีพจงมีสุขภาพจนมี อิสาภาพจนมีอะไรต่างๆได้สำเร็จอาจจะต่างกับคนที่ไม่ค่อยศึกษานาชีพก็ลาบากสุขภาพก็ไม่ดีปฏิบัติผิดต่อสังคมติดคุกติดตารางก็มี ถึงกับเจ็บใครได้อป่วยเพราะทางกระทำของตัวเองก็มีอย่างนี้เห็นกันอยู่บางทีก็รู้แต่ขินทำลงจูบุลีไม่ดีกินเหล้าไม่ดีกินอาหารที่เป็นของติบดิบไม่ดี ก็ยังกินยังสูกทั้งๆที่รู้อยู่ขุนเทำลงก็มีแล้วก็ผิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากการกระทาของชีวิตเราเป็นส่วนยอด <c oughs> อย่างที่ท่านได้รู้อยู่แล้วคุกตลามันก็ไม่ดีก็ยังไปติดคุกติดตลากันอยู่ ทำดีก็ได้ดีแล้วก็ไม่ไติดคุกติดสารมลฉลาดทำชัลลช่วก็ได้ชัว่วนี่มันเป็นความจริงดักษณีของกิจวิญญาณศึกษาตามหลักพรนะจารยศาสนานี่ก็เลือกได้เก่ปัญหาแบบพุทธะในสติอยู่ในความในเวท เชิงพุทธศาสนาจิงแวดล้อมแล้วก็มีได้ทำกิจทำใจได้โดยพู้หลักปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสูตรที่พุทธองค์ในค้นพบได้สดแสดงให้พวกเราได้ยินได้ฟัง มากไปเป็นเรื่องของตัวเรานี่เองแล้วก็มีสิทธิทุกชีวิตชกิความหลงมีสิทธิไม่หลงทุกชีวิตเวลามันทุกก็มีสิทธิไม่ทุกทุกชีวิตทุกรูปทุกตามมีปัญหาก็มีปัญญาได้ทุกรูปทุกนาม ถ้าเราศึกษาปฏิบัติตามความถูกต้องเช่นความหลงมันไม่จริงความไม่หลงมันจริงกว่าปฏิบัติลงไปจิติร้อยเปอร์เซนใช่ลงไปในความโกรธมันก็มีความไม่โกรธจริงกว่ามีจิติไม่โกรธไม่ทุกข์ร้อยเปอร์อันนี้ก็มีจิทธิ เป็นธรรมมาที่ปัจจายไม่ต้องขออนุญาตจากใครในหลักกิตวิญญาณเอาให้บริสุทธิ์พุทธองเลยอันเดียวเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นเป็นสูตรเดียวของทุกชีวิตเลยไม่ใช่คนละแบบแบบเดียวกันแบบทานศิษาทั้งโลกก็แบบเดียวกัน สองห้าก็เป็นสิบถูกที่สุดแล้วสองห้าเป็นเก้าเป็นแปดไม่ถูกเลยผิดไปแต่พึชแต่ือไปาการใช้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันตัวเรานี่แหละท่าทาเอาดูสิมันจะเป็นยังไง ล้วโกรธโกรธลงไปดูเฉยมันจริงไหมบางคนก็เสียใจใ <น S 2> ความโกรธผิดพลาดความโกรธจริงจรงตามความชั่วจะแล้ว<ช>เอาเคืนมาได้เสียใจที่หลังก็ไม่แบบนี้เรามาปฏิบัติธรรมก็ยิ่งทำได้กับมือของเราสมผัสได้ในชีวิตของเราทั้งหมด จนหลักธรรมที่พทธเจ้าได้ค้นพบได้กุบัดขึ้นเพราะพระธรรมนี้ทำหมเกิดเป็นพุทธเจ้าขึ้นมานี่ก็มีสูตรตันเดียวมีสติเชื่อเห็นอะไยที่มันเป็นความผิดความทุกข์มีทุกข์มีโทษมันไม่รีแลับ เกิดขึ้นจากตัวชีวิตของเรานี่เองนี่สติจะเป็นสิ่งที่ตัวเป็นตัวเฉลยของปัญหาชีวิตทั้งหมดที่เกิดจากก่อจากจายเกิดจากรูปจากนามนี่แล้วก็ได้รู้ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาพระเจ้าตัดสรูกด้วยเหตุอะไรมีตริเห็น ทุก no. มีไปทุกข์กันเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นวิธีดับให้ดับความทุกข์จนสำเร็จมีอันเดียวไม่ใช่อย่างอื่นสูตรเดียวเช่นในพูดจูสมุมงนะว่า เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ยังไงทุกก็ดีเหตุเกิดทุกก็ดีความดับทุกก็ดีดับวิธีที่ดับทุกได้ก็ดีมันเป็นเรื่องอะไรมีความจริงเช่นพระธองค์ตรัสว่าเรามีปัญญาลู่เห็นตามความเป็นจริง ข, ของทุกต้องทํากับมัน มีสามีอย่างถ้ามันเกิดขึ้นทำกับมันสอมอย่างหนึ่งเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจอกทุกข์เรียกว่าปัจจัยสามเราเห็นแล้วเราเห็น ทุกข์แล้วเราลู่แจ้งในทุกข์เราไม่ถูกต้องเพราะพ้นจากทุกข์จริงๆความทุกข์ไม่ถูกต้องจริงๆอันความไม่ทุกข์มันมีอยู่ในความทุกข์นั้นมาพร้อมกันในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์มาพร้อมกันเป็นคู่มาไม่ต้องจนไม่ต้องไปจำนวน ยอมกับมันมปรับมัน3ลักษณะเรียวปฏิยัติสาของกิ่งอันเปรศนี่อยู่กับเราดีอเอเ้อเจริงจริงนี่คือทุกข์เริ่มวิธีตทมกับความทุกข์อย่างไรรู้กแก้งไม่ใช่ความสุข ความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความสุขก็เห็นถ้าเห็นเราดูมันก็ออกมาดูไม่เป็นประกับเรื่องของความทุกข์กเห็นเหตุมันก็ไปกันหมดแล้วกอนต่อกันไปเลยเหตุที่เกิดทุกข์ ทำเหตุนั่นไม่ทําให้เหตุได้เกิดทุกข์ไม่ได้ทํากับมันอีกเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้เ อ, อากรพุนจอบความทุกข์เมื่อเราเห็นงูก็เห็นแล้วก็พุนเห็นทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์ ดับได้ด้วยการกระทำ ม, มันก็ต่างกันระหว่างความทุกข์กับความไม่ทุกข์ดับลองดูซิมันจะมีชีวิตชีวามันจะมีชีวิตชีวาจะมีฝีมือจะเกิดศรัทธาเกิดความเพียรตรงนี้ เออชติได้มากที่ตรงนี้งั้นเราทำงานทำการถ้าเจอปัญหาล้วก็มีปัญญาเทียนแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เ, เช่นเชื่อโลกที่เกิดเกิดต่อถ้าเจอเชื่อโลกก็รู้จักเราเจอแล้วเจอแล้ว ถ้าเจอแล้วก็กานให้ยาก็ารักษาโลกได้นี่ก็เหมือนกั น, กนในควิตกองเรามันไม่รีบร้อ ม, ม, มันมาอย่างถ้าเป็นความทุกข์ความโกรธ ค, ความโลภความหลงก็ามกาแบบกงโง่โโโไม่ได้สะเลียวเฉลิล่อะไร น่าจะไม่หลงตรงนี้ถ้าเห็นอย่างนี้มันมีศรัทธาในการกระทำก็ตือลุน่นได้เปลี่ยนหลงเป็นลู้อย่งางปฏิบัติธรรมเนี่ยวิชากรรมฐานได้เปลี่ยนหลงเป็นลู้เนี่ยมันมีชีวิตชีวาจริง ได้เปลี่ยนทุกเป็นรู้ได้เปลี่ยนอะไรที่มันผิดให้เป็นความถูกต้องมันเป็นชีวิตชีวามีศรัทธามันก็ต่างเก่าพ้นภาว่าเก่าๆได้จริงๆในชีวิตเหล่านี้มันไม่ใช่เราคิดนึกเอามันเห็นมันมีจริงๆหลงก็หลงลลจริงๆอนระู้ก็รู้จริงๆผิดก็ผิดจริงๆถูกก็ถูกจริงๆ นั้นไม่ใช่จะมีคำถามมีอะไรไปให้มันยืดยาวไปสัมผัสตไต้ทุกข์กิเหรือว่าปัจจัตตังของบุคคลคนนั่นเองเรามีการกระทมเกิดขึนข้นเช่นเคยพูดเสมอว่าเห็นไม่เป็นพ้นจากการเป็นไม่เป็นอะไรกับอะไร คำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะไม่ใช่เครื่องหยาบหยบมันเป็นละเอียดปลานีษฐ์คำว่าไม่เป็นอะไรนะปลาหนี้จนไม่กระทบ ก, กระเทือนอะไรคำว่าไม่เป็นอะไรนะไม่กระทบ ก, กระเทือนเลยเหมือนกระถ้าจะมองก็เหมือนกับงองไม่เห็นหน่นแหละคำว่าไม่เป็นอะไรมันปลาหนี้ มันจึงอยู่เหนือการเกิดเจจ็บตายได้ไม่มีไม่แต่สัญญาที่จะให้เกิดอะไรขึ้นมันเป็นสมาธิที่น่อนแน่ไม่มีสัญญาที่จะให้เกิดไออุ่นของตัวตนในความไม่เป็นอะไร น, ะนั้นก็อ่อนทัพเจาอ่อนอ่อนยยน ภาวะไม่เป็นอะไรมันอ่อนโยนมันละเอียดมันปราณีตมันเป็นการสัมผัสของชีวิตจริงๆภาว่าไม่เป็นอะไรนะครมันไม่ไม่หยาบมันไม่กระทบกระเทือนอะไรกองเก็บก็ไม่กระทบกระเทือนกับภาวะที่ไม่เป็นอะไรวองทุกข์ไม่กระทบกระเทือนกับภาวะที่ไม่เป็นอะไรทั้งๆ ที่มันจะทําให้ภาวะไม่เป็นไรเป็นไปไม่ได้จะเรียกว่าอย่างไรจะเรว่าอ่อนโยนจะเรียกว่าปราณีตสําผัสเลยก็ไม่รู้จกะกันลาไม่ใช่ด้านมันไม่เป็นอะไรกับบรรลาในสิ่งที่มันเป็นในรูปในนามนี้แม้มันมในรูปทํานามทําใหนความแก่ความเจ็บความตาย ความโศกความทุกข์ความโกรธโลภหลงมันมีแต่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นอะไรมันจ ะ, จะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เป็นรสชาติของโลกของโลกไม่ได้ไรูปในนามนมันมีความไม่เที่ยงภาวะที่ไม่เป็นอะไรมันก็ก็เห็นความไม่เที่ยงแบบอ่อนโยนแบบปล่อนื้ ในรูปนามเปนความเป็นทุกข์เห็นความเป็นทุกข์ของรูปนามอย่างประนิษฐพราว่ะไม่เป็นอะไรนี่ในรูปในนามเป็นเป็นทุกขร์าราว่าไม่เป็นอะไรเขลนความทุกข์เปรอะ่อนโยนปล่อนนิษที่สุดไม่กระทบกระเทือนกับภาวะไม่เป็นอะไรนี่คือชีวิตในรูปใน น, ม น, น, ะะม น, นา ม, น, ม, น, ะะม น, นี่นนน ม, นมันมีการเคยเจ็บตายมันก็ไม่เป็นอลไยกับอาการเหล่านั้น มันอ่อนโยนปราณีตจนไม่มีอะไรกระทบกระเทือนสัมผัสได้มันอ่อนโยนเพามอ่อนโยนเนี่ยมันเฉื่มเฉงนะีงเนาะไม่ใช่มันมันอ่อนเอไม่ใช่อ่อนแอนะอ่อนโยนเพามอ่อนโยนเนีเข้มเฉียงเพืนเขาจะหลึ ก, ลกตัดหินเนี่ย ต้องอาศัยน้ำเห็นเขาเลื่อยเห็นต้องอาศัย น, น้ำน้ำเนี่ยอาจจะเป็นของเข้มแข็งขั่วอย่างอื่นก็ได้อันภาวะไม่เป็นไรมันไม่มีสมมติปัญญาที่มาเปรียบเทียบกับชีวิตของเรามันเป็นสุดยอดของชีวิตมันได้ชีวิตนะมันก็เกิดจากอะไรเกิดจากภาวะที่เห็น เห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจากความทุกข์แลมันเป็นอะไรตรงนี้่มีอะไรไหมเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์ไม่ทาไม่เห็นไม่ได้เห็นไม่ทำเหตุได้เกิดทุกข์พ้นจากเหตุนั้นแล้ววิธีดับทุกข์ได้มันก็ดับได้จริงๆในความหลงมาเป็นความไม่หลงในความโกรธมาเป็นความไม่โกรธในความทุกข์มาเป็นความไม่ทุกข์ ในความเก็บมาเป็นความไม่เก็บในความแก่มาเป็นความไม่แก่ในความตายมาเป็นความไม่ตายมาแบบนี้มาเพื่อถูกจากนี้ถ้าเจ็บเพื่อเจ็บมันไม่ถูกต้องถ้าแก่เพื่อแก่ไม่ถูกต้องถ้าตายก็คือตายไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่เป็นอะไรมันจึงเหนือเหนือโลกนี่มีอยู่ในควิตของคน ที่มีรูปมีนามนี้รูปนามที่บรนไล่มาเพื่อเพื่ออันนี้เพื่อการนี้โดยตรงไม่ใช่มาได้รูปได้นา ม, มากมึเพื่อให้มีความทุกข์ความเปิดความแก่ความเี็บ ค, ความตายได้รูปไดนา ม, มาเป็นความเป็นเที่ยงไม่เป็นทุกข์มันไม่ใช่แบบนั้นตอนนั้นมันเป็นไปสายแบบแบบของรูปของนาม มันมีการศึกษามันมีสายแบบหนึ่งเองมันจะเหนือเปรียบแบบหนึ่งเองถ้ามีการศึกษาตามหลักธรรมพระเจ้าที่ได้เกิดเป็นพระเจ้าเกินมาเพราะศึกษาเรื่องรูปเรื่องตามนี้อัศว์ศาก็แย่เดียวกันมีสติดูมันมันเกิดอะไรขึ้นกับรูปเห็นเบื้องต้น เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่ว่าแล้วเห็นกายสะวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหนการศึกษาเป็นอย่างนี้เห็นสุขเข็นทุกข์ที่ว่าเวทนาก็สพรว์เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหนาเห็นจิตที่มันคิดไปโน่นพราให้เกิดจุขเกิดทุกข์เพราะความคิด ก็สักว่าเจ็ไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาไปสูงสูงไปแบบสลายถ้เป็นยาก็สลายโลกทํารักษาโลกทำให้โลกหายไปการรักษาที่ใช้ชีวิตเคยเห็นแบบนี้เห็นทำก็สักว่าทำไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา ลูกแห่งความเกิดเจ็เจ็บตายมันเริ่มต้นไปจากตัวนีน้มันจึงไม่มีความแก่ความเจ็บ ค, ความตายเพราะว่าเราเห็นมันเห็นหลักฐา น, นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยให้เป็นสาฐานมันเป็นสูตรบ่อยพาให้เราได้ตามไปบอกทาบอกทิศบอกทางไปงั้นบอก รูปมันบอกน้ามันบอกนี่คือความไม่เที่ยงไม่ได้ไปหามันแสดงให้เห็นมันโชว์ให้เห็นหลักปฏิบัติก็โชว์เฉนอย่างพระเจ้าเทศสนาเรื่องธรรม จ, จกกักรกบพันธสูตรที่แรกก็บุกเบิด เรียกว่าทางที่ไม่ควรข้องแวะสองอย่างกามัจุขานิการโยกอัตชิมาะะัาโยกไม่ควรข้องแวะคือเป็นสุขสุขทุกทุกอย่างไงกาอย่างรักชีว่ากายก็ทุกเป็นทุกขเป็นกามัจุขันิกาโยกโกรธเป็นโกรธเป็นการมัจุขานิกา ร, ระยะโยก ถ้าทุกเห็นมันทุกไปเป็นทุกข์นี่เป็นมัดเข็มบ่าถ้ามันโกรธไม่อยากให้โกรธเป็นผู้โกรธก็เป็นหรืเป็นเป็นทั้งกรมมัจจุนกาโยกเป็นทั้งอัฏฐะจิมถาโยกตึงเครียดในความโกรธแสดงหรือบางทีเราปฏิบัติเวลามันหลงไม่พอใจ ไม่อยากให้มันหลงนี่เป็นอัตถิปทาโยผิดซะให้ผิดเป็นผิดให้ถูกเป็นถูกถ้าเห็นนี่มันเป็นกลางกลางเวลาหลักปฏิบัติถ้าเห็นนี่มันเป็นกลางกลายังไม่เป็นพอใจไม่พอใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าที่เห็นเนี่ยบุกเบิกไปแล้วบัดเพราะบุกเบิกไปแล้วเนี่ยก็ชี้โชู โชว์เรื่องนี้ขึ้นมาเรียกว่าอาริยมรรควิธีการอาริยมรรคก็คืออาริสัจสี่นั่นเองเออสัจสีคืออะไรคือสินสมาธิปัญญาที่เป็นสินฉิกขาเป็นสินทะลุงเชิละมิสติคืออะไรแล้วก็ เป็นทั้งศีลเป็นนักสมาธิเป็นทั้งปัญญามีสติมันก็ล้ความชั่วทําความดีจิตบริสุทธ์ไปของเป็นเองจากที่ตั้งเท่าเนี้มันเป็นตัวเฉลยไปได้หมดเลยเวลาเราปฏิบัติทำไม่ต้องไปท่องพระสูตรพระสูตรที่เกิดขึ้นเลยมันเป็นการเจ็บบาดละเอียดเพื่อให้เป็นการศึกษา เหมือนกับขึ้นเขากลัวจะถึงยอดเขาต้องไปจากที่ใดบ้างไม่ใช่ไปขึ้นทุกสูงเลยมันต้องมีทางขึ้ น, นเริ่มต้นท่ามกลางละที่สุดเคยขึ้นเขาสิบัตะประเทศจีรังกาสูงที่สุดในโลกไม่ใช่หรอืหรอะ เอว่าเหลกเลยว่าอีมาลายขึ้นไปแล้วให้เป็นนอนอยู่แต่ไอเหลกขึ้นไม่ได้แต่ศีรกาเนี่ยศีรษะเนี่ยมันสุดยอดจริงเก่งนะโดยลำแข้งเดินขึ้นไปมองไม่เห็นมันหรอกยอดเขาไงมาเลยเห็นแต่ก้าวไปถ้าจะมองเหยอยดเขาไม่เห็นมันรู่อยู่ตรงไหน แต่เก้าแต่ละเก้ามันไปถึงยอดเขาได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะ่เราไม่ต้องการอะไรที่มันยังไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ต้องการจากความคิดมันจะเป็นอย่างไรทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ทมแล้วจะเป็นอย่างไรไม่ได้ไปคิดแบบนั้นคิดก็มีคิดแบบนั้นก็มีเปรียบเทียบท่าน ถ้าหลวงพ่อเทียนท่านได้มันรู้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะเป็นยังไงก็ดูท่านก็ไม่รู้ท่านสอนก็ไม่รู้จะเอาความที่บอกที่สอนให้เป็นเหมือนท่านนั่นก็ไม่รู้ต้องมาทําเอามาสัมผัสเอาแต่ท่านสอนให้การจเจริญสติก็เจริญสติไปแล้วลรามมนหลงให้ลูกเราก็ทาไปแบบน้ เปลี่ยนหลงเป็นลูกมีความหลงเมื่อเกิดขึ้นขณะที่มีสติเป็นคู่กันพอดีมีความลูกมีความหลงมาแข่งขันพอดีในเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนลง็ก้าวไปก้าวไปก้าวไ ป, ไปนี่เป็นการเบื้องต้นมันจึงมีท่ามกลางมีที่สุดเอาไปแช่ได้ก็เออ เมื่อมาดูตามหลักจุดตามปฏิบัตินั่นก็มีย่อหย่ อ, อ, อ ม, ม, ยมีสติเออมันก็รับความชั่วมีสติก็ทําความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์เ อ, อ๊มันเป็นไปเองเนี่ยนั่นก็เห็ น, นเห็นหลงไม่ได้รู้ว่าเป็นหลักอิสระมีศีลแล้วจึงรู้จักว่ามีศีลมีสมาธิแล้วจึงรู้จักว่ามีสมาธิ มีปัญญาแล้วจึงรู้สึกว่ามีปัญญาศีลมาช่วยตั้งร้อยวันสมาธิมาช่วยปัญญาวาช่วยอยู่ร้อยวันปลอดภัยบริสุทธิ์แล้วจึงรู้จักว่าตัวเองมีศีลเออมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ไม่ใช่ไปขออจะเป็นยังไงบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงไม่ใช่อย่างไยอย่างไร ไม่ใช่อย่างไรคาว่าทำไมเป็นอย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้ภาษานักปฏิบัติไม่มีคาว่าทำไมไม่เตทาลงไปจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยสำหรับผู้ปฏิบัตินะมิเตเห็นเห็นแล้วก็เปลี่ยนอไม่มีคาว่าทำไมจึงหลงไม่มี ทำไมจึงหลงมันเป็นดับเบิลหลงไปแล้วมันจึงเห็นมันหลงสั้นๆเห็นมันหลงขณะที่เห็นมันหลงก็ไม่เป็นผู้หลงก็พ้นจากความหลงวิธีปฏิบัติมันก็กลับมามีกรรมฐานมีที่ตั้งยิ่งง่ายไปอีกแบบของกรรมฐานเย่นคู่แขนเข้า ล, ลู้ออลจุกเกียร์แออกลู้จุก มันก็หลงอยู่ตรงนี้ตรงที่มีพระวจนะธรรมอยู่เนี่ยมันก็มีกลับมาอยู่เนี่ยก็กลับมาหาที่ตั้งแล้วก็พร้อมอยู่แล้วก็มาถามมันพร้อมมันทุกเกิดขึ้นมันทุกเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรที่มันหลงเกิดจากตรงไหนมันก็พร้อมที่จะรู้อยู่แล้วกลับมาได้แล้วก็แน่นหนามาวิชากรรมฐานเนี่ย มันใช่ลอยๆเหมือนมีเครื่องต้นแรงมีบังคือเหมือนคนมีร่มในเมืองเวลาฝนตกเดือตกเหมือนนอนในมุ้งมียุงมีอยู่ข้างนอกมันก็มีหลักฐานว่าเราปลอดภัยเราเราแม่ยุงมันจะมีอยู่พราะมันก็ไม่ได้กัดเราถ้ามีที่อาศัยก็มาฐานเหมือนกับนอนในมุ้งใช่ไหม นี่ไหมเวลาตอนเย็นเนี่ยเรานั่งอยู่ในมุ้งยงนอนในกดในเต้นนะยงมันบินมันมาจับหยอกล่อมันเอามือไปให้มันกัดลองรูเทพวันจะกัดก็ถอนออกมามันก็ลุมมุมมาจับอยู่มุ้งข้างนอกมุ้งแล้วก็หยอกล่อมันท้าทายมันเลย ภาษาอะไความทุกข์คอโกรธจอก้อมันก็ได้จ อ, อกล้อมันไม่จริงจิงไงนี่ถือคือความทุกข์นี่หรือความทุกข์หัวโล่ความทุกข์แต่ก่อนถ้าความทุกข์ก็ขึ้นหน้าบึงบ้งๆนะใช่ไหมที่เขาไม่เห็นนะหน้าปวดปดหน้าบึงบ้งๆก็ส่องกระจกรก็ได้เวลามันโกรธเวลามันทุกข์ถ้าเรามีสติเห็นเนี่ยมันเรื่องคิดจ้อย เพรว่าที่ทุกข์ไม่ถูกต้องเจ็บจ้อยที่สุดเป็นอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นจากกายจากจิตไม่ใช่คิดไม่ใช่กายครอบคุณมันมันทุกข์ขอบคุณมันแล้วกายมันทุกข์มันร้อนมันหนาวขอบคุณมันมันหิวขอบคุณมันยยงกัดมันเจ็บขอบคุณมัน มันปวดมันเมื่อยขอบคุณมันน่าขอบคุณยิงยังกา่ายไม่ใช่เรื่องทุกข์เลยมันก็มีประโยชน์ไอยประโยชน์จากมันมันบอกเอานี่คือทุกข์เนอะมันไม่เป็นจะเป็นสุขมันเป็นไม่ได้เราจึงเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากควทุกข์นี่คือราวะปฏิบัต ทํอย่างนี้ไม่ใช่หนึ่งสองสามมันเป็นความเห็นถูกต้องมันง่ายๆมันลัดๆมันโปโปเพร า, าวะว่าไม่เป็นนี่มันเปโปนขอบคุณด้วน่ายประโยชน์มากจากรูปจากทามรูปนามมันบอกมันเท็จมันจริงยังไงมันบอก วิธีที่เกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องก็มีสูตรแตเดียวไม่ใช่คนเราอย่างนะจึงน่าพอใจมากเวลาเราปฏิบัตินะมีศรัทธาจริงๆกับการปฏิบัตินะกับการมีสติไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในหลงพร้อมที่จะไม่หลงในความทุกข์พ้อมจะไม่ทุกข์ในความโกรธพ้อมจะไม่โกรธ อยามให้มันมามากๆจะได้เปลี่ยนมากๆม า, ม า, มาจะชำนิชำนาญแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเวลาเราปฏิบัติไล้วรารกว น, ม, น, ม, นมันการกวนมันท่าทายมันความคิดก็ปรากฏมากนั้นยิ่งดีใหญ่บางคนเวลามาคิดน่ะถือว่ายุ่งยากทำไมไมาคิดมากจะเกิดไม่อยากให้คิดก็คิดแบบนั้นไม่ถูกต้องเห็นมันเนี่ย มันไม่ได้ไม่ได้มีความว่าไม่หยอกคำว่าคิดความคิดถือว่าผิดเป็นผู้ผิดไปแล้วปฏิบัติมันไปไปไปไม่ถึงคำว่าผิดไปไม่ถึงคำว่าถูกถูกผิดมันเป็นเรื่องสมมุติบัญญัติเอาเองน้ำต่อไปแล้วนักปฏิบัติจริงๆไม่มีคำว่าผิดว่าถูกไม่จะเห็นมันผิดเห็นมันถูก เห็นมันสงบเห็นมันทุ่งซ่านมันมีก็เห็นมันมีให้เห็นไม่ใช่มีให้เราเป็นลัดลัแบบนี้นะปฏิบัติธรรมเรเราอยู่ในฐานะแบบไหนอะสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ยังเป็นการมสุขานิการโยอัถฐเก็บถาโย เออเห็นนี่เป็นมัชิมาปฏิปทาใช่ไหมได้เห็นเน่ยเป็นมัชิมาปฏิปทาอ่าเป็นเนาะเป็นอัฏฐิปัมธาโยกเป็นกามสุขานิการโยกอ่อนแอกันไปอ่อนแอกันไปแล้วก็ตึงเครียดเกินไปมันตึง เพื่อจะย้อนมันย้อนเพื่อจะตึงตรงนีนเรื่องมัดเรื่องมัดเชื่มาคือดูเชิญไม่เท่าหลวงพ่อมันคดเพื่อให้มันตรงคดเพื่อตรงหรือมันมีศิลปะนะใช่ไหมคดมันกระงามอะไมันทำให้ตรงไรมันจึงมีความตรงเปรียบเทียบระหว่างที่มันคดมันงอมันตรงมันจึงมีความงมันหลงมันรููเนี่ยมันงามนะ มันทุกมันลู่มันงามนะมันโกดมันลูกมันงามนะตรงเนี้ยมันตรงเพื่อมันโคดเพื่อตรงมันโคดเพื่อตรงมันจึงมีสิ่งที่บุงบอกไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าหรอกพระเจ้าเกิดจากกองทุกข์หนึ่งกอทุกข์แท้ๆเกิดเป็นพุทธะขึ้นมาก็คนห ความทุกข์ความหลงก็ขบกวนมันจึงมีความรู้จึกถูนะน่งถ้าถ้าเอาลัดลัดก็เห็นไม่เป็นปเห็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรกับอะรตานี้นะตรงนี้นะให้ชำมาทั่งหนอง่อยเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไไม่เป็นอะไรกับอะไรทำลงดนอนทำลองด รวลานอนเราไม่มีอะไรกับอะไรแล้วอ้าอถ้ามันมีลูกมีน้ำมีทาจีไม่ขันหน้าเอาทิ้งสักขันหน้เอาแต่ทาาจีไวปดูสิมีแต่ท่าแน้วนอนอยู่เนี้ยมีแต่ดินน้ำลมไฟเขาว่าขันไม่มีแล้วเทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีแล้วมีแต่ท่า เป็นน้ำเป็นดินเป็นไฟเป็นรุ่นเป็นก้อนเอาลงไปก็หายตัวไม่เป็นอะไรเลยมอนไม่ไม่เป็นอะไรก่อนหลับลองดูที่งัดทับลองดูให้มันปานนี้อย่านึกว่าตัวเองโอ๊ยนอนไม่หลับเราแล้วนองไม่หลับคือเรานอนหลับคือเราให้มันเหนื่อยทุกอย่างซะ นอนแบบหายตัวถ้าตายนอนแบบไม่คือดินน้ำลมไฟเป็นรุ่นเป็นก้อนอีกสักหน่อยดินก็ไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอี่มันเป็นก้อนอยู่นี่มันมีสี่อย่างนี้สี่อย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรดินก็ต้องเป็นดินนะน้ำต้องเป็นน้ำยังเป็นก้อนอยู่ถ้ามันกระจายกาันก็ไม่มีแล้ว แล้วเนี่ยก็มีเป็นก้อนอยู่รูปธาตุมองเป็นธาตุธรรมชาติเท่านั้นอย่าถึงว่าเป็นตัวเป็นโตนตนอนไม่หลับกรนหลับอะไรต่างๆไม่ให้มีถ้ามีอย่างนั้นหรือว่ามีขันธ์หน้าดับมันจะไมนให้มีค่าเลยขันธ์หาเลให้มีแต่ธาตุเท่านั้นเองยืดก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ นอนก็ไม่ฝันถ้ามีอะไรมาคิดมากๆนะเวลานอนหาเรื่องมาคิดก็ฝันฝันแล้วก็นอนไมเอี่ยมนะมั น, นชิ่นเตียงพลังงานเหมือนกันความฝันแนวบางที่ก็เหนื่อยเมื่อยล้าเพราะความฝันใจเต้นเพราะความฝันตื่นขึ้นมาบางทีเป็นหัวใจวายก็ได้นั้นระวังเวลานอนเนี <c> ่ย <oughs> นอนให้หมด <c oughs> <c oughs> นะอนแบบมีมิจฉาท่าท น, น ไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับไรมาเกิดขึ้นไม่เป็นอะไรกับอะไรววางเอาความไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยนี่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะมาตั้งอยู่ในที่น้อยเพราะว่าไม่เป็นอะไรยิร่งที่ว่าปาณิสอ่อนโยนละเอียดละเอียดมันงก็เป็นทั้งหมดคำว่าปานิคืออะไร อ๋อันยอมไววได้อ๋อากาดไปไลยลงมหายใจก็มีคิดก็ทิ้งเลยไม่เอาเลยมีแต่เปลไว้เป็นไรเลยเอาใัยตัวนี้นะนี่ลหละวิธีอยู่เหนือการเกิดเจ็บเก็บตายสุดยอดของชีวิตคือตรงนี้มงกุฎ ธ, ธรรมนะไม่ยากเห็นไม่เป็ น, ปนพ้นจากเพราะที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะนี่คือปฏิบัติธรรม มีที่หมายตรงนี้ไม่ใช่ไปผิดไปถูกเพนั่นมันรุ่นชาเรผิดเราถูกเห็นเห็นไปเลยเห็นไปเลยเห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นมันฉุกเห็นมันทุกเห็นมันเอาต่างๆเห็นเห็นเห็นเห็นไม่เป็นไรง่ายๆนิดเดียวรรมือเดียวอะเอาละนะสาควรใจเวลากราบพระพร้อมกัน